นัโมตัศภะวโตอรหโตสมาสมุทัศนัโมตัศภะวโตอรหโตสมาสมุทัศนะ่โมตัศภะวโตอรหโตสมาสมุทัศกุฏะสตังมรังโลกปัญญาวัฒนเนทัน เนนะเสวยุติอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัตโทสาทายะสมันเตหิสกัจจังธรรมโมโซตมโบตินวันนี้จักได้น้อมนำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องความโกรธเรื่องปัญญามาแสดงที่แจงแก่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายด้วยวันนี้ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือว่าที่ว่าเอทอักษรยอได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ของไทยคือวันสงการซึ่งวันสงการก็จะเริ่มในวันที่13วันที่13เป็นวันประกาศสงการวันที่14เป็นวันเนาวันที่15เป็นวันถลืงศกอันนี้คือเขาสงการแล้วอีกในหนึ่ง วันแรกวันสงการวันแรกเป็นวันสัมมาคารวะผู้มีคุณผู้มีอายุผู้ผู้มีวัยวุฒิทั้งคุณอาวุธแล้วก็วันที่สองเป็นวันครอบครัวลูกเต้าหลานเลนพ่อแม่ได้มาพร้อมกันถึงแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆวันที่สามเป็นวันกระตันยู รู้ขุนของบรรพบุรุษ ท, ที่ล่วงลับดับศูนย์ไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้มีอยู่สามวันที่เราจะต้องทำจะต้องจัดตามจารีตประเพณีพิธีสงการานต์ในในฐานะที่ชาวพุทธที่เป็นฝ่ายเทศเฟนฝ่ายเทราวาดไม่ว่าจะเป็นสีลังกาอินเดียนั้นเป็นเขาเรียก holy เขาเดนในเทศกาลสงการเหมือนกันแล้วก็มาพม่าไทยลาวเขมนเวียดนามตลอดตรงส2บสองปีนาที่มีคนไทยคนมีคนเชื้อสายไทยอยู่จะได้รู้จักกิจกรรมสงการนี้เพราะมันมีมาแต่โบราณกาลเพราะว่าทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุฝ่ายเทรวาตเอาจันทรคัพซเป็นเครื่องนับวันเดือนปี ดังนั้นจึงสงการจึงเกิดมีขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วนี้รายละเอียดต่างๆเราก็รู้มาวันสงการนี้องค์การยูเนสโกก็เอาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นประเทศไทยจึงเป่าจึงโหมแปลเพลงสงการของสุนทรภพนที่แต่งมาเมื่อ80 90ปีแล้วก็ยังเป็นอมตะอยู่ เป็นหลายๆภาษาถึง12บสองภาษาในโลกเนี่ยก็เป็นอ น, นว่าความที่เป็นผู้มีวัฒนธรรมบรร์เก่าแก่มาเกิดขึ้นกับปฏิกับชาติไทยของเรากับคนไทยของเราคนไทยของเราได้รับการอบรมบ่มเพาะฝัง <ๆๆ S 1> สายเลือดมาด้วยความเป็นผู้มีภมวิหารสี่คือมี ม, มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเปขามีคือมีความสงสา ร, ร ความเมตตาความรักความสงสารความเอ็นดูและความอุเบกขาคือวางวางไว้ที่มันเหลือวิสัยของตนเองมันเป็นหลักเกณฑ์อยู่อย่างนี้ฝังอยู่ในสายเลือดโดยไม่ต้องไปเสียแซงใดๆดังนั้นวันตั้งสงการก็ผ่านมาภูบาจันร์สีวัดก็มีวัดภูตูมนารามวัดอโศการามแล้วก็วัดปัจเจกหลวงพ่อหนแล้วก็วัด ของหลวงพ่ อ, อ, อที่จังหวัดตากท่านได้ได้มาพร้อมกันมีสีวัดในวันนี้เราก็ได้ทำบุญไปแล้วต่อตินไม่ก็ตั้งใจสะดับตับฟังในเรื่องความโกรธเป็นสนิมของจิตใจในข้อที่หนึ่งแล้วในข้อที่สองคือปัญญาย่อมประเสริฐกว่าศัพท์มีสองประการ ทีนี้ความโกรธความโกรธนั้นเป็นรากเหง้าของอกุศลโลภะโทสะโมโเป็นรากเหง้าของกับอกุศลทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีโลภมีโกรธมีหลงโลภนึกแปรเปลี่ยนไปเป็นลาคะตัณหาคือกิขากิเลส ท, ที่มันมีฝังอยู่ในจิตของเราทุกผู้ทุคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเกิดในโลกนี้ก็จะมีจมีกิเลสตัวนี้กามาทั้งนั้น ก็ความรู้สึกทางเพศนั่นแหละมันจะมีมาด้วยกันทั้งนั้นก็เป็นเหตุให้ได้สร้างพืชพันธุ์กันมีแล้วมันแล้วก็มีความหึงหวงมีความโกรธมีความไม่พอใจแล้วก็มีความหลงมีความหลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่าความโกรธเป็นมลทินของจิตมันเป็นสลิมมันเป็นสนิมเกาะจิตเช่นเดียวกับเหล็ก เหล็กนั้น ก, ก็คือสนิมนั่นแหละทำให้เหล็กนั้นมันก่นแล้วก็ขาดไปได้เช่นเดียวกับหนอกล้วยต้นกล้วยที่เกิดขึ้นมาลูกบีต้นกล้วยลูกกล้วยที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วตัดตัดเครือกล้วยไปแล้วก็แม่มันก็ตายจึงหนออเกิดขึ้นมาใหม่เท่านั้น เพราะนั้นกล้วยมันก็คือกำไรตนของมันดังนั้นกิเลสท่านจังถึงเปรียบว่าความโกรธนั้นมันเป็นสนิมของใจใจของเราก็หมกมุ่นกลายเป็นมนลทินอยู่อย่างนั้นก็เกิดพยาบาทเกิดการจองกรรมจองเวรเกิดความหมายมั่นปั้นมือเข็นฆ่าซึ่งกันและกันจ้องจับกันหรือไม่ฉะนั้นเอบฟังไว้ในจิต เห็นน้าเห็นตามเมื่อไรก็ความโกรธนั้นก็เกิดขึ้นเห็นน้าเห็นตาเมื่อไรก็เกิดขึ้นทุกขณะมันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสนิมฝังอยู่ดังนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรานั้นทำลายสิ่งเหล่านี้ด้วยการฝึกสมาธิเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาอาจารย์ท่านจะกล่าวไว้เลยว่าบอกว่าการฝึกสมาธิให้ได้จิตสงบจะจิตสงบขนาดไหนมีปิติมีสุขเกิดขึ้น เอาอย่างนี้ถ้ามันมีปิติมีสุขเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นจิตมันนิ่งมันน้มลงไปสู่ความสงบก็จะทำใเบากายเบาใจเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นก็แสดงว่าเข้าถึงเข้าถึงสมาธิในข้อหนึ่งเพามันมีมันมีปิติมันคือมันเบากายเบาใจเกิดขึ้นแล้วก็แสดงว่าอาการของ ของความสงบเกิดขึ้นปรากฏแล้วคือวิจกทวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตามันเกิดขึ้นมาแล้วสามารถที่จะลบมวนทินลบสนิมนั้นออกไปได้ลบไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เช่นกันเพราะว่าจิตของเรายังไม่เข้าถึงอริยมรรคเรายังเป็นปุถุชนเราเป็นกัลยาเป็นสามั ญ, ญชนอยู่ปุถุชนกับสามั ญ, ญชนเนี่ย ปุถุชนนั้นหนาแ น, น่นฟังอะไรไม่รู้เรื่องไม่เอาอะไรทั้งนั้นสาธุชนนี่ก็ยังเออเราสามั ญ, ญชนนี่ก็ยังฟังอยู่ยังเคารพในกฎหมายบ้านเมืองยังเคารพในศีลธรรมอยู่แต่ยังไม่ซึ้งตราบใดมาเป็นกระยาณาชนนั้นนั่นแหละจึงจะเข้าใจเพราะว่ารู้จักรู้จัก ปรับปรุงตัวเองให้กับสถานะว่าควรทำอย่างไรมีความงามอย่างไรอยู่ในสังคมบันไดจึงเกิดความงามทั้งกายทั้งวาจาและใจมันก็จะเกิดขึ้นจนกระทั่งเป็นสาธุชนคือคนดีคนดีนี่รู้จักเรามีมโนสานึกอยู่ในตัวเราแล้วนี่หลักการนั่งภาวนาในเป็นสิ่งที่สาคัญมากมันสาคัญกว่าทุกอย่าง จะให้ทานสมาทานศีล น, น, นั้นเป็นบรนไดที่จะสืบต่อให้เราไปสู่โลกสวรรค์ให้ไปบรรเทิงในโลกสวรรค์แต่ว่าภาวานานี้มันเป็นมันจะเป็นบุญมันเป็นกิริยาบุญหรือว่าเป็นคุณธรรมเกาะจิตติดตามจิตของเราไปทุกภพทุกชาติตันนั้นเพื่อให้ฝึกให้ได้สมาธิก็ดีแล้ว ในโลกปัจจุบันของเราเนี่ยฝึกได้ง่ายฝึกตามที่ใดก็ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ท่านกล่าวอยู่ในที่ต่างๆเปิดไปใน y o u t u ู e เปิดไปในที่ใดเราก็ฟังได้เพราะฉะนั้นคอยเราตั้งใจเถอที่การฝึกสมาธิที่ง่ายที่สุดที่สะดวกที่สุดแล้วก็ที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองก็คือกำหนดลมหายใจ หายใจเข้าเดี๋ยวดูดูลมของเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรนี่แหละครูบาอาจารย์ก็จะสอนอย่างนี้แม้หลวงปู่มั่นก็สอนเอาให้ภาวนาพุทธโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ท่าน ใ, ให้หายใจปกติธรรมดาแบบที่เราทำแต่ที่นี้การเจริญอาณาปานสตินะจะต้องมีองค์ประกอบตั้งจิต ตั้งสติตั้งไม่นไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวให้ได้หลายครั้งสิบนับได้สิบครั้งห ร, อรงือยี่สิบครั้งก็ยิ่งดีให้จิตของเราพักให้จิตของเราไม่กวัดแก่งให้จิตของเราไม่ละสัมแล้วสายไม่ไม่ทุรนทุลายไปมันเป็นการบังคับจิตของเราให้มันให้มันรวมลงเสียก่อนทีนี้เมื่อ เรากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกอยู่อย่างนี้ผ่อนคลายร่างกายก็จะได้พักผ่อนหัวใจก็จะได้เต้นช้าลงมันเต้นช้าลงก็เป็นการพักผ่อนเปในตัวเราเ็าสบายสบายปอดก็ขยายขึ้นออกซิเจนก็เข้าไปสู่ในร่างกายมากขึ้นคายคาบนไหออกใสออกมา หัวใจก็จะได้ทำงานได้มีเวลาพักผ่อนเต็มที่ร่างกายก็สบายแล้วทีน้นโตแต่ตนั้นมาจิตของเราวางจากอารมณ์ไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ใดๆมันวางเขาเรียกว่าลดมันลดลงมาลดด้วยการที่เราเอาสติมากำหนดที่ปลายจมูก แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวสติเอาไปจดจอ่อจดจ้องอยู่ตรงจุดนี้ทีนี้จิตมันจะนึกคิดไปต่างๆมันก็เลยเผาลงเชีงบ้านเรียกว่าลดทีนี้พ่อเมื่อมันหายใจเข้าหายใจออกสะดวกเขาเรียกว่าวิจารปรากฏมัก็เลยจิตมันก็เลยละมันลดละ พอลดละมาเล้ทีนั้นไม่ไม่คํานึงถึงอารมณ์ที่มาก้มรุมจิตใจแล้วต่อแต่นั้นเราหายใจเข้าหายใจออกมันก็เกิดภาวะทำขึ้นขึ้นมาแทนที่ภาวะตัวนี้ก็มาทำให้เกิดทําให้จิตปล่อยพอจิตปล่อยปั๊บความสมาธิก็เข้ามาทันทีพอสมาธิเข้ามาทีจิตก็วาง จิตก็วางก็มาก็เอาเอากับสมาธิมาดูกับอารมณ์สมาธิมาดูกับพฤติกรรมที่จิตมันกําลังรวมตัวลงมีสติจดจ่อจด จ, จ, จ้องอยู่กับจิตของเราที่มันรวมตัวลงนี้ก็กลายเป็นสมาธิเนี่ยนะทำได้อย่างนี้ทําได้อย่างนี้แล้วทําอย่างต่อเนื่องทําที่ไรก็มันได้อย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นอันว่า เราสามารถที่จะสร้างอาสนกรรมของเราในทางที่ดีได้ในเวลาจุติเวลาที่จิตจะออกจากครั้งหรือไปบันเทิงในโลกสวรรค์แล้วเวลาจะจุติจากสวรรค์อาสนกรรมเหล่านี้ก็จะเข้ามาจะเข้ามาให้เราลึลึกถึงผลของการภาวนาของเราก็ทําให้เรามีสติแป๊บเดียวเห็นโลกมนุษย์ก็ลงมาสู่โลกมนุษย์แต่ถ้าไม่มีอาสนกรรมไม่มีจิตที่ฝึกให้เป็นสมาธิ หรือเป็นอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้จิตของเราเค็มคว้างจะทําอะไรจะไปในนั้นที่ใดบาปที่มันจาะอยู่เราก็ยัดเยียดผักเราลงไปสัาบายเมื่อไปสัว า, ายไปตกนรกเราก็อยู่ขีดกับขีดกันจากนรกก็มาเป็นเปรตมาเป็นเปรตก็ไปเป็นอสุรกายจากอสุรกา ย, ยาก็มาเป็นเดรัจฉาน เออมาเป็นเดรัจฉานนี่มาเป็นมดเป็นแมงมาเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มาเรื่อยๆมันก็ยังนับชีวิตในโลกมนุษย์นี้ได้อยู่ต่อแต่นั้นก็เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไม่เต็มเต็งไม่สมประกอบของทางร่างกายเราก็บ้าใบาง่อยเปี้ยต่อแต่นั้นนะมาเป็นคนลําบากยากเข็นก็ไม่มีคุณธรรมที่จะคือนขึ้นพอหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ตลอดเวลาจ า, จากนั้นก็มาเกิดเป็นคน ธรรมดาสามัญขึ้นมาทีนี้พร้อมที่จะมาสติสัมปชัญญะใครมีบุญญาธิการมาด้วยก็เกิดในตระกูลที่ดีมั่งมีสีสุขเป็นธรรมะหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้ถือประพฤติปฏิบัติดังเช่นที่เราได้เกิดมาเนี่ย เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาไม่บ้าไม่บ่ยไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจริตไม่ผิดมนุษย์ดังที่ปรากฏอยู่นะั้นสมบูรณ์แบบมีหน้าที่การงานให้ทำอยู่นะั้สมบูรณ์แล้วสมประกอบแล้วเพราะนั้นเรามโมจะละเลงอยู่เ็าชีวิตก็จะหาไม่เพราะชีวิตมันน้อยนิดเหลือกเกินเรามาเล่งภาวนาปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ย นิมนุ์ครูบาอาจารย์มาให้ทำมาอบรมพัฒนสอนเราอยู่เสมอมาก็กจะก็จะทําให้เรานั้นเข้าถึงธรรมอย่างน้อยที่สุดมีจิตเป็นสมาธิก็ยังดีแล้วทีนี้เมื่อเราภาวนาถึงประจิตสงบจนกระทั่งมีวิโกวิจารณ์ปิสีสุขเอกคตาเราจะรู้ได้ก็คือมีปิติมีความอิ่มกายอิ่มไม่มีความอิ่มใจแล้วก็มีกายเบามีใจเบารู้สึกว่ามันปลดปล่งโล่งจิต ในกระดาษที่เราไปถึงจุดนั้นอันนามันก็ลบลบสนิมลดมุลทินลดอะไรออกไปหมดใจก็สะอาดบางคนก็นั่งไปก็เห็นแสงสว่างปรากฏ ไปทั่วข้างหน้าบางคนก็เห็นสลัวสลัวบางคนก็เห็นแจ้งสว่างเห็นภาพอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่นั้นเป็นนิมิตมันเป็นมโนภาพมโนภาพคือการปรุงแต่งก็การปรุงแต่งเหล่านั้นเอาไปเอามาเข้าไปเข้ามาก็เป็นฌานเป็นฌานคือการเพ่ง เพราะเรามันเป็นสะพานให้เราได้เพ่งเพ่งลงไปจนกระทั่งถึงตัวรู้รตัวรู้เกิดขึ้นกับเราก็เป็นญาณญาณคือความรู้ทำให้เรารู้ตัวรู้ตัวก็มีต้นกล้าแห่งปัญญามีสติปัญญาวกให้เรามาได้พิจารณาสังขารร่างกายต่อแต่นั้นจิตของเราก็ถอนมาจากสมาธิจะมันเร่งรีบที่มันนิ่งอยู่อย่างเดียวคลายขึ้นมา ผ่อนขึ้นมาจนกระทั่งมีความรู้สึกแล้วก็มาพิจารณาสั ง, งขารทางกายจับเอาเหล่าดีไปที่ครูบาอาจารย์ให้ทำอย่างนี้ก็เพราะให้เรามาพิจารณาเป็นแนวทางที่จะดาเนินไปสู่โสดาปฏิมาโสดาปฏิผลนั่นเองให้มาพิจารณากายผมขนเล็บฝันหนังมองเห็นด้วยตาเปล่าผมกับเล็บมันจะงอกอยู่ตลอดเวลาจะต้องตัดอยู่ตลอดเวลา ส่วนขนนั้นก็งอกเข้ามาได้ได้พอดีมันแล้วก็หยุด อ, อยู่เพียงนั้นแต่ผมกับเล็บนี่มันยอกมันงอกยาวออกไปเนี่เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังทั้งทั้งห้าประการเนี่ยมามองเห็นด้วยตาเปล่าหนังห่อหุอ้มร่างกายของเราถ้าเราไม่อาบน้าอาบทาบเหงื่อใครมันออกมาขมุกขมอมไปด้วยฝุน่นละอองก็จะมีกลิน่น กลิ่นเหม็นออกมาจากร่างกายเพราะเราบริโภคอาหารเข้าไปนะ่ะเวลามันอยู่เข้าร่างเวลามันบูดมันเหม็นไหมเนื้อสัตว์หรืออะไรเศษอะไรเศษอาหารที่ปะปนเข้าไปมันก็มีกลิ่นดังนั้นกลิ่นที่มันอยู่ในกระเพาะของเรามันก็ออกมาออกมาตามผิวหนังออกมาตามที่ต่างๆ เพราะว่าร่างกายอันนี้มันเป็นสมบัติของโลกมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่เนี่ยมันพันแปดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของมันไปเองท่านจึงให้เรามาพิจารณาจุดนี้พิจารณาเนื้อหนังมังสังของเรามันผัดเปลี่ยนมันแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คงที่จากหนุ่มสาวก็มันเป็นวัยกลางคนเนื้อหนังมันก็หย่อนยานไปให้พิจารณาไปเถอะแล้วกลิ่นเหมือนกันทุกคนมีกลิ่นทั้งนั้นมองไม่เห็นกลิ่นตัวเองก็เราก็จะได้ กลิ่นจากบุคคลอื่นกลิ่นจากอากาศที่มันอับกลิ่นจากอะไรตอไม่อะไรแล้วก็นำน้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงว่าอ๋อที่มันเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเน่าเป็นของที่มันเน่ามันเปื่อยเป็นสังขารร่างกายอันนี้ธาตุสี่ดินน้าลมไฟอันนี้ให้พิจารณาดังนี้พิจารณาไปพิจารณามาไปทบทวนไปทบทวนมาล้วก็จะเห็นสัจธรรมเห็น ความเป็นจริงเขาแล้วไปเห็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้อุจจาระปัสสาวะก็มีกลิ่นแล้วก็เห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้กายนี่ก็สักแต่ว่ากายเนาะแล้วก็น้อมนำให้เป็นธรรมะไปฝึก ไปน้อมนําให้ไปสอนใจของเราให้เข้าใจอย่าไปลิงโลดอย่าไปโลดผลอย่าไปอย่าไปหลงละเลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆให้มาพิจารณาถึงจุดนี้ว่าสังขารร่างกายของเรานะั้นอยู่ไม่นานมันก็จะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดามันไม่เกินร้อยปีอย่างสูงสุด120ปียังไม่มีใครถึงอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นอกจากในครั้งพุทธกาลเท่านั้นมีอยู่ แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เห็นเห็นก็เป็นพิเศษไม่กี่คน คนส่วนใหญ่ก็80 70อยู่ก็คับอยู่แล้วระดับนี้ยิ่งเดี๋ยวทุกวันนี้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาอาหารก็ปรุงแต่งต่างๆก็มีเป็นสารพิษเข้ามาเจื้อปนเข้าไปสู่ในร่างกายล้วนหลังแต่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมีโรคต่างๆตามเข้ามาในร่างกายของเรามาเพราะมันมาจากอาหารท่านจึงให้พิจารณาอย่างนี้ให้เห็นตามเป็นจริงก็เราก็ได้สักยะทิฐิจากจิต ของเขาลดละปล่อยวางนี่มันอยู่4ระดับลดละปล่อยวาง ลดะเมื่อเราภาวนาเข้าไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันก็ลดจากคันที่มันคิดมันนึกมันปรุงแต่งก็มาจดจ่อจดจ้องอยู่กับบุคําบริกรรมนี่ค่ะว่าลดละก็คือหมายว่ามันละสิ่งเหล่านั้นก็มาดูจิตจิตมันปล่อยมันวางลงมาเพราะนั้นมันถึงจะถึงวางถ้าถึงมันลดละปล่อยวาง เราก็ว่างพอว่างเสร็จแล้วมันจึงมันจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้มันเป็นขั้นเป็นขั้นอยู่อย่างนี้เราพิจารณานี่แหละพิจารณาอาสบายเห็นตามเป็นจริงจะได้สักยะที่ถีให้มันร้องด้วยตัวเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อก่อนเราก็มโนเอาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นย่างนี้เห็นตามเป็นจริงในตัวของเราเองฟันปากก็มีกลิน่น อาหารนี่มันซอกมันยัดอยู่ในตามซอกฟันเราจิ้มฟันเข้าไปก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นออกมาให้เราได้เห็นโอ้มันเป็นอย่างนี้จากตัวของเราเองเนี่ยเห็นสักยัตทิฏฐิแล้วต่อนนั้นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในบาปบุญคุณโทษในคุณธรรมนี้มันก็ค่อยๆจะทำให้จิตของเรานั้นเข้าใจเราไม่ไปได้ยึดติด ธรรมะของสมเด็จพระสมมาสมบูรณ์เจ้านั้นใช้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศสาตัตววิญญาณนาต่าตัวรู้ทั้งหลายที่มันปรากฏในโลกธาตุอันนี้เราเห็นสายลมพัดผ่านไปเราเห็นแสงแดดที่มันเผดเผามีความร้อนเราเห็นแสงจัน์ในเวลากลางคืนมีแต่ความเย็นนั่นเป็นล้าแต่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งนั้น แล้วก็คลื่นต่างๆที่เราใช้อยู่นี้เป็นคลื่นจิตตลอดจนคลื่นภาพจนเราคลื่นเสียงคลื่นอะไรที่เป็นคิดค้นกันขึ้นมาแล้วได้มีเอามีเครื่องเอาเครื่องมือมาปรับปรุงเข้ามันก็เลยกลายให้เราได้เห็นว่าในมือถืออันเดียวนะั้นมันมีคลื่นมีทั้งภาพ มีทั้งเสียงมีทั้งเสงียงมีทั้งเสียงมีทั้งแสงแสงมันมาจากไหนแสงก็มาจากแสงพระอาทิตย์มาในที่ต่างๆไฟฟ้าที่เราก็ใช้มันก็มาจากพระอาทิตย์แล้วก็มาบรรจุเข้ากับในวัตถุต่างๆมาจุดประกายกันขึ้นมาก็เกิดเป็นไฟฟ้าให้เราได้ใช้เราทีเสียง เสียงก็คือเกิดปะทะกันขึ้นมาอย่างเสียงฟ้าร้องเป็นรลเสียงร้องเป็นธรรมชาติแล้บือลือลั่นกังวานไปทั่วสารทิศในทั่วท้องฟ้าเราก็เห็นอยู่ที่นะัแล้วนี่พลังมาจากไหนมาจากพระอาทิตย์พระอาทิตย์ให้เกิดให้ให้พลังงานร่างกายของเราก็รับแสงพระอาทิตย์ได้รับอาหารการกินเข้าไปก็เกิดพลังงานทําให้ร่างกายของเรานะไม่เหนื่อยสมบูรณ์พูนสุข อยู่ไปได้ให้พิจารณาไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็มีสองข้อนี้ไม่มีแล้วศิลพศมันจะไปยากศิลพศก็คือการถือมงคลตื่นข่าวบ้างถือพิธีกรรมต่างๆ ย, ย, ยุ่มยุมยิ้มยิ้มถือผีสร้างนางไม้ถืออะไรถือเครื่องรางของขลังถืออะไรต่างๆเมื่อเข้าไปถึงถึงจุดนี้แล้วมันก็ค่อยผ่อนไปผ่อนไปภูมิธรรมของพระโสดาบันก็ เข้ามาสู่จิตของเราจะได้ขนาดไหนเพียงไรนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราท่านได้พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาจากจุดนี้ไม่ต้องไปเอาสิ่งทั้งหลายแหลน่นันเป็นอยู่โยงคงกับพันหรือว่าเป็นอิทธิฤทธิอิทธิปฏิหาร น, นั้นก็เรียกว่าบุญญลฤทธิ์เกิดขึ้นจากบุญที่ได้ประกอบกระทำมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณธรรมของเราเกิด มันปรากฏแก่เราอย่างนี้นะนะทีเนี้ยมันก็เลยสนิมที่มันก่อจิตก็หมดไปมาว่าโกทะสัตทังมะลังโลเกเความโกรธเป็นสนิมเป็นเนินของเป็นสนิ ม, นสนมใจใ น, ในโลกแล้วก็บทหนึ่งกับปัญญาวะทนนเนนะเซโยปัญญาประเสริฐกวดซั์ ไอ้ทรัพย์ที่เราได้มาเนื้ทรัพย์สินสลิงทางที่เกิดมาเรามาพัฒนาตัวเราเองให้เกิดปัญญาด้วยการศึกษาเล่าเรียนนะการศึกษาเป็นการพัฒนาคนพัฒนาคนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งจากมัธยมก็ไปสู่ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอันนั้นเข้าไปถึงจุดนั้นมันไม่ได้พัฒนา ขอวิชาความรู้และปัญญาณเกียรละในตัวเราเองให้โดดเด่นให้เป็นคนมีคุณธรรมให้เป็นคนมีความพร้อมให้เป็นคนส่งเป็นผู้มีเป็นผู้สรงคุณวุฒอยู่ในสังคมนี้คือเกียรละในเนี่ยเรามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เสมอก็เกียรละในจิตของเราที่มันเป็นก้อนโคลโลอยู่ให้มันเป็นเพชรให้มันเป็นพลอย ให้มันเป็นแก้วสีเรียกว่าแก้วโปร่งขามแล้วก็ให้เป็นก้อนที่กลมกลมกลึงมันกลมแล้วสามารถที่ทาประโยชน์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นจิตของเราหรือว่าตัวจิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาเจรไนาให้มันได้เจรไนาให้เป็นเพชรก็มีวิชาความรู้เจนจบเข้าถึงอริยมรรคอริยผลมาเป็นพรอยก็ทำจิตของเราให้เป็นสมาธิ จนกระทั่งสามารถที่จะพิจารณาสังขารร่างกายได้ เจรไานามันเป็นแก้วสีต่างๆก็ทําให้เรามีศีลมีธรรมมีคุณธรรมมีมโนธรรมเข้าไปกํากับในจิตเรียกว่ามีความสําเหนียกสํานึกล้ลึกสะดุ้งหวาดเสียวตัวก็ต่อความตายต่อความที่ไม่ยีจีหลังยั่งยืนของสังขารอยู่เสมอมันก็จะทําให้เราดีขึ้นเดีทีเนี้ยเจรไนาไปเป็นได้เป็นก้อนกลมๆสามารถก็ไปทำไรายได้ก็ทําให้เรานะ่ะเป็นผู้มีศีลมีทานสามารถที่ จะไปสู่สวรรค์ได้ตามกำลังแห่งตนเมื่อเข้าไปแล้วในสวรรค์นั้นบางเหล่าบางพวกก็เป็นสัมมาทิฐิบางทีก็เป็นมิจฉาทิฐิแม้เทวดาที่เป็นพระโสดาบันที่สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ไปไ ป, ปโปรดพระพุทธบาลดาที่ชั้นดาววดนึงเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว มันก็ยังเป็นชีวิตที่นิดเดียวยังไม่ได้ยังไม่ถึงกับถึงกันของเทวดาเทวดาเหล่านั้นก็จะบอกกล่าวถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลเถากันและกันได้แต่เทวดาส่วนใหญ่มันจะเพลิดเพลินจะไม่ฟังนอกจากเทวดาที่ได้ฝึกปฏิบัติทางปฏิบัต ทางคุณธรรมเหล่านี้มาจึงจึงจะสำเนียกและเก้งเงื่อหูฟังเท่านั้นนี่นมันเป็นอย่างนี้ในเทวดาเพราะมีแต่ความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นให้พวกเรานั้นจงตั้งใจบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมมันก็จะเกิดผลเพราะนั้นปัญญานี่แหละมันประเสริฐกว่ามันประเสริฐกว่าทรัพย์ในโลกเนี่ย ปัญญาพัฒนาปัญญาของตัวเองให้มันเกิดขึ้นด้วยการศึกษาเราเรียนด้วยการสดับตบับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อท่านทั้งหลายได้มาประพฤติธปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตัวเองเวลาถึงกายทําลายแตกเวลาจะเข้าแตกกายทําลายขันไปแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะเกิดอาสนกรรมในทางที่ดีที่จะมาประคับประคอง ดวงจิตของเรานะให้เป็นสู่สุขคติโลกสวรรค์แล้วก็มีคุณธรรมติดตัวตามตนที่จะให้เราลงมาสั่งสมบุญบารมีในโลกกธาตุอันนี้สืบต่อไปการเวียนไหวตายเกิดถ้ามันปิดประตูอบายได้แล้วเราก็สบายแล้วเราก็จะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลตามเจตจำนงที่เราปรารถนาตามที่พระบร ม, มครูของเราและครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งเราบารต้องการที่จะให้เรานั้นได้เข้าถึง มักเข้าถึงผลก็จะเป็นเจตจำนงที่เราประพฤติปฏิบัติตามท่านดังนั้นในที่สุดแห่งการแสดงธรรมนี้จึงขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยอันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพปุญญานุภาพเทวตานุภาพและบา ร, รมีธรรมและคุณธรรมของบูรพาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจีดหลวงปู่โตหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ฟันท่านพอดีเหล่านี้เป็นต้น จงบันดาลให้ท่านทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานทำให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความสบายปาถนาสิ่งใดันเป็นประโยชน์อันหาโทษไม่ได้ก็ขอปาถนาเหล่านั้นจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ต้านดุ ด, ดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาลรัชนี <c oughs>